วสวัติมารนะเคยปกครองมารทั้งหลายอยู่พอพระพุทธเจ้าตรั ส, สรู้ได้นะเสียใจมากเลยไปนั่งจุมปุกอยู่กับพื้นดินนะเอานิ้วเขียดินชีวิตเราทำไมมีคนหนีไปได้เขียเพราะงั้นมารมันก็แพ้ได้นะมารมันแพ้คนรู้ทันมารมันชนะคนที่ยอมแพ้มันคนที่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 ชนะไม่มีที่สิ้นสุดเลยชนะแล้วไม่กลับแพ้ีชนะอะไรชนะมานนั่นแหละมานมีหลายอย่างนะมานมีห้าอย่างเทวบุตรมานก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกมานที่น่ากลัวคือกิเลสมานกับอาภิสังขารมานอีกตัวหนึ่งก็ขันธมานขันธมานก็อย่างงั้นนั้นแหละก็ไม่เท่าไหร่หรอก